จิตที่เป็นโมหะประกอบเนี่ยการรับรู้ของจิตนั้นถามว่าจะ การแข่งลึกของกาอารมณ์ของอารมณ์นั้น เมจภาษารู้แต่เจ้ามันมีหลายวิธียกตัวอย่างเช่นว่าท่านเห็นดอกไม้ต้องบอกนี่ดอกไม้ประดิษฐ์แต่คนหนึ่งไม่ได้รู้เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์เลยก็เห็น คนทํามีฝีมือแค่ไหนทํามาจากอะไรแล้วทําแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงดีได้อย่างนี้ๆเขาจะมอง แต่เห็นไม่เท่ากันเห็นไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเห็นไม่เหมือนกัน 2 คนนี้เห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่เท่ากันก็อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่จิตอยู่ที่ปัญญาเข้าไปเป็น มีอะไรนอกเกินไปกว่าธรรมดาแล้วและเจตสิกที่ตัวสัมปชัญญะประยุกต์ด้วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกจํากัดแต่ไม่ถึง แต่เมื่อญาณการไม่ให้รู้อะไรที่เป็นโดยเฉพาะที่เป็นสิ่งจริงๆของจริงในอารมณ์ที่ปรากฏนั้นมันก็ดาล สอกเสกสอกเสกเป็นโมหะสอกเสกมากก็โมหะโมหะมากมันคือสอกเสกแบบโมหะถึงๆปัญญาเหมือนกันแต่ถ้านั้น คือว่าคงภาพด้านด้านอยู่เช่นเราเห็นอารมณ์นี้ว่าเป็นสุภะเมื่อนี้ในคันคันภาวนาถึงจะไป ความวิปลาสอย่างอื่นที่เหลือคือนิฏจากวิปลาสอัตตวิปลาสสุขวิปลาสก็ตาม ก็จะเห็นชัดมากองค์การวางไว้มาหาขั้นต่ําไม่ได้ก็เป็นอันว่าชัดเจนแล้วครับ 2 ส่วนคือการรู้ของจิต แต่ยังจิตดวงหนึ่งที่ไปหน่วงเอานิพพานอีกดวงหนึ่งพยายามจะนึกถึงนิพพานไม่เท่าไหร่ก็หน่วงไม่ได้มันก็อีกดวงหนึ่งหน่วงก็เท่า ความสามารถของจิตที่เป็นรู้นิพพานเนี่ยเองหรือมีอะไรทําให้มันสามารถและอีกจิต การบริหารจิตนั้นไม่ใช่บริหารที่ตัวจิตครับอันนี้ผมต้องย้ํา 37 ไม่มีองค์มักแปดก็ไม่มีจิตเลยสักข้อเดียวตัวเดียวเจตสิกทั้งดี มันเป็นผลได้จากการกระทําเจตสิกและแบบเราพัฒนา คนอยู่ประสบก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ ต่อไปด้วยเป็นโลนเจตสิกไปด้วยแล้วก็ภาวนาคือทําให้ ก็มาจากการที่บุคคลเหล่านั้นได้อบรมเจตสิกที่อยู่ในคําว่าจิตตภาวนานั่นเองอันนี้ก็ ซึ่งหมายถึงจิตโมหะดวงที่หนึ่งดวงนี้ก็เป็นชื่อซึ่งแสดงถึง นี่เป็นดวงที่ 1 บาลีว่าอุเปกขาสหคตังกิปแปลว่าถึงต้องด้วยความเฉยวิชิกิจฉาสัมมิตตังประกอบคือยุคพร้อม 2 ก็จะ ไม่วิธีของหลักการธรรมดาอะไรมากคือในแง่ของของหลัก ข้อ 2.1 ในแง่ของการตั้งทฤษฎีธรรมะ อย่างเช่นโมหะเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับอกุศลอีก 2 ชุดที่ผ่านมาในแง่ของ เราจึงเห็นว่าระบบพระอภิธรรมที่บางทีเราคู่เราพระอภิธรรมยากมีอยู่ 2 และยาก แต่ยากในระบบของสภาวะเป็นอย่างทฤษฎีเนี่ยยากในระบบของ เวลาถึงวันสําคัญทางศาสนาวันหนึ่งเวลาถึงวันวันอะไรพระต้องเทศน์เรื่องนี้ ประชุมสงฆ์แสดงโอวาทปะริโมกก็ฟังจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรพอ สำคัญมากแสดงเรื่องอะไรอ่ะอริยสัจ 4 ฟังแล้วก็กลุ้มใจแทนพระเลยเกินฟ้าเรื่องโน่นเรื่องนี้ได้ยังเข้า ท่านเวลาพูดก็พูดในเชิงระบบทฤษฎีไม่มี เนี่ยพูดอย่างนี้ให้เขาซึ้งให้เขาเห็นบุญๆคือและสําคัญยัง มันก็ขอได้จะพูดออกรีวิวให้นะเท่านั้นเองพูดได้เนี่ยก็ ธรรมมากทุกเรื่องหลายๆเรื่องของพระพุทธเจ้าเราต้องผ่าน ที่จะอธิบายเห็นกลไกข้างในยากและในขั้นที่ เราเข้าใจเราเห็นสรรพคุณเห็นอำนาจเห็นประโยชน์ของความลึกซึ้งที่พระ ก็เขียนคันติไว้เป็นเป็นคําขวัญที่เป็นถือเป็นบุญคุณ ก็ว่ามีบางวันนึงครับบางทีโอ้บิสมิลลาห์เรานั่งแล้วยุงก็กัด 3 ตัวโอ้คน ผู้ล้าอะไรมานั่งทนตลอดมันนั่งอดนั่งทนกับ องค์หนึ่งเราอธิษฐานว่าเราจะนั้น 2 ไอ้ความ แน่นอนไอ้ทําบางบางเวลาบางจังหวะมังคลามันไม่เข้าได้เข้าเข็มหรอกพี่เนี่ยมันเข้าได้เข้าเข็ม เราผู้ที่รู้โอ้ทําอะไรทั้งหลายเนี่ยยิ่งธรรมะสูงหรืออุปสรรคมันเยอะ รักใครชอบใจใครชอบใจนี่ท่านพูดโอ้นี่ท่านพูดในบรรยากาศของการ แต่การละการอย่างลงอยากการพัฒนาจิต ส่วนใหญ่เป็นปกติโมหะทั้ง 2 mm hmm. ดวงความรู้สึกเฉยมีจุดที่เหมือนกันก็คือ เมื่อเวลาเกิดมันจะเกิดเป็นฉากให้ พอเข้าใจให้ชัดเจนว่าโมหะถ้าเกิดอยู่ในโลภะเป็นโมหะเป็นอุเบกขาตามโลภะอุเบกขามีเวทนาเป็นโสมนัสตามนั้นก็ได้ถูก เหมือนกับว่าไม่ชัดเจนเพราะอะไรคือโลภะในโมโมหะในโมหะโมหะ แต่ระดับความรุนแรงคือความปืนต้น คำว่าไม่เห็นชัดเจนหมายถึงไม่เห็นโมหะในโลภะที่ว่ารุนแรงนั้นชัด เหมือนภาพแผ่นใสที่ว่าเมื่อกี้นะเราก็เลยเหมือนจะมอง มันบ่คนโกรธอยู่อย่างที่ผมบ่เคยบอกว่าคน แต่บางคนก็ดีหน่อยที่อบรมปัญญามันก็ๆเนี่ยขณะนั้น อริยศัพท์แล้วก็ไม่รู้ว่านั่นก็คือโง่เองอ่ะแล้วก็เนี่ยมันเป็นยังไงมันควรจะสืบสวนหรือไม่มันสมควรหรือ ชนิดหนึ่งบ่อยๆว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีความเลวสรรพัดแต่เค้าไม่ได้แล้วก็ โดยจุดที่ค่อนข้างจะเลวหลายอย่างแล้วก็มีหลายคนพยายามจะไปพูดอะไรแต่เค้าก็บอกกับผมมาปรึกษาบอกว่าเนี่ย ขณะนั้นน่ะหมดไอ้ชั่วขณะคือวูบชั่วขณะไม่เป็นใจหญิงนิสาถ้าชายนิสาไปตลอดชีวิตอ่ะวูบชั่วเราจะไม่คือจะตีฆ่าความรู้สึกตัวเราเองคิดไม่รู้อะไรจึงจะคิดอ่านก็คิดอย่างตีราคาตีฆ่าผิดหมด มันเรียกว่ามันฝันมาแล้วก็ต้องฝันไปแต่ไฉนเวลลณาอย่างนั้นแล้วก็อารมณ์จะไม่มีปัญญาวิฉัยเรานี่ทําไมไปได้ทําไมถึง ทำไมถึงไปกงเข้ามาได้นี่เค้าเรียกว่าเค้าหยุดปั๊บคิดได้ทันทีนี่คนโมหะเข้ามาครอบต่อโมหะโมลิจิตครอบมัน ไอ้คำพูดคำเมียรัชทาณละท่านบ่ได้ยินเพื่อนทหารธรรมวิทย์ของท่านทูตแล้วก็เรา แต่ตอนที่เรายังมีกิเลสเราก็ไม่ได้คิดอ่ะนี่คือความปิดของมันเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้อาการ ก็จะได้สําเร็จตรงนี้แล้วเวลาที่เราเห็นคนคนโกรธเนี่ย สมุติบอดเข้าถึงเข้าถึงเป็นอย่างนี้เขา มองด้วยอำนาจของความโลภความโหดร้ายเฮา แล้วก็จะเกิดความกรุณาเกิดความสงสารว่าโอ้โอกาส เกิดความโกรธในความโกรธของจะเป็นติดแค่ความวก เอาเหมือนเขายังไม่ยังไปสงสารหลวงพ่อแล้วเราเราไม่ได้สงสารที่ <c oughs> จึงเป็นสภาวะที่มองโมหะแม้ในโลภะแม้ในโทสะเขาก็ไม่ได้สําคัญมองอยู่แล้ว ในกาลนี้ชีวิตจริงๆของโมหะที่เกิดเอกเทศนั้นเป็นอย่างไรมี อารมณ์เป็นอารมณ์ก็ได้รับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์เป็นอารมณ์ก็ได้แล้วก็รับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กลางๆเป็นอารมณ์ก็ได้มิใช่หรือเมื่อรับอารมณ์ที่ นี่ก็เป็นข้อสังเกตซึ่งซึ่งผมก็พูดไปแล้วผมก็ชักๆคนๆแล้วจะตื่น and even cause and kid อ่าคําตอบก็คือว่าเราโมหะรับอารมณ์ที่ดีก็ได้ไม่ ตอบว่าเมื่อใดที่เราไม่ได้เกิดความกำหนัดยินดีด้วยประการใดๆน้อยก็ตามมากก็ตามเมื่อใดที่เราเนี่ยโดย ที่พระพุทธเจ้าทรงยามบอกพระภิกษุว่าจะทําด้วยบัพอื่นก็ หรือเฝ้าถือของไปนู่นไปนี่เดินหน้าทอยหลังเห็นนู่นเห็นนี้หรือแม้แต่อยู่เฉยๆไม่เอา อย่างเป็นหลักจึงกําหนดลงให้ใจเป็นหลักกระทําอย่างนี้เป็นหลักใช้ชีวิตเป็นปกติหมายถึง เป็นเป็นกรรมฐานเสริมซึ่งเป็นฐานลับกรรมฐานเพราะคนที่ไม่คู้บัลลังก์ ทั้งศีลเป็นความสำรวมเป็นสังวรศีลไปด้วยเพราะฉะนั้นศีล ตัวโมหะเนี่ยจะใช้ตัวอื่นปราบมันไม่ไม่เป็นเรียกว่าคู่ปราบกันที่เช่นแผ่เมตตาใช่มั้ย เป็นคนเห็นแก่กินก็มีตัวปราบคืออาหาเรปฏิกูลสัญญาลใช้อันนั้นมาเป็นตัวปราบก็คนไหนที่ กายคตาสตินั้นช่วยได้ดีกายคตาสติคือพิจารณาไปใส่คือมองคนอื่นเป็นศพเรื่องศพไปใส่คนอื่น แม้ไม่โลบนะไม่โกรธอยู่นะเป็นโมหะนะครับโมหะมูลจิตครอบงําเช่นเราไปนั่งตาก ซึ่งตอนที่ใจเราสเด็จจากโลภะและโทสะและอกุศลอื่นๆที่ นั้นถ้าใครคนใดคนหนึ่งนั่งรถไปตามถนนหนทางที่ตัวไม่ๆกันมาเนี่ยสมมติที่ซ้ายก็ไม่เคยเห็นขวาก็ไม่เคย นามมันก็ตื่นเต้นมีกุศลบาปอกุศลป่ะมันก็ตื่นเต้นแต่ถ้าเขาก็เรานั่งรถผ่านวัด มีน้ำคลําชั่วๆเฉยๆถ้าเราเพิ่งมาจากเมืองนอก เเล้วไม่เลี้ยวเข้าไปไม่ลงเลยครับถึงจะอยากไปดูเค้าอยู่คนยังไงขายยังไงก็ยัง ก็ต้องฝากไว้พิจารณาด้วยเราก็ไปดูโอปเราอะไรเราก็จะได้อ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ไอ้ตัวนี้น่ะทางธรรมะถือว่าได้ใครคุมตัวนี้ได้มันๆนะไม่ใช่ห้องนี้แล้วคน ก็จากที่ได้ว่าคนส่วนใหญ่เค้านึกว่าถ้าเค้าไม่ ถ้าเราจะแก้ตัวนี้จะไปนั่งแผ่เมตตาเอาละแผ่เมตตาก็หยุด เนี่ยคอยอ่านคอยศึกษาเอาละถึงเราจะๆก็ได้รู้รู้ตัวบ้างก็ยัง มันเป็นโมกที่เกิดอย่างเอกเทศเอกเทศผมหมายความว่าเอกเทศจากโทสะมูล เป็นตัวลับแขกเป็นตัวปรากฏแต่ถ้าเกิดเอกเทศแล้วมันจะเกิดมูลเดียวท่านอื่นได้แล้วกิเลสที่ ในขณะที่โมหะขณะที่โมหะมูลเกิดตัวเดียวเนี่ยครับคือตัววิจิกิจฉา 2 ตัวที่ถึงถูกแยกออกมาเป็น 2 ท่านก็ถึงเรียกว่าก็ถึงเรียกว่าโมหะวิจิกิจฉาอันนั้นน่ะแปลว่ามีอุทธัจจะด้วยนะแต่อุทธัจจะถ้าเกิดคู่กับวิจิกิจฉามันก็ไม่ออกหน้าแล้วท่านเอาตัวออกหน้ามาเป็นเป็นเป็นเจ้าเรือนเข้าออก มันเรียกเค้าว่าโมหะร่วมกับโมหะมูลโมหะอุตตัจจะ มันไม่ถึงกับกลบหน้าโมหะมูลไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกับเกิดปนกับมูลตัวอื่นก็ลองสังเกตว่าในขณะที่ จิตตอนนั้นโลภมั้ยไม่โลภผีตอนนั้นโกรธมั้ย ลักษณะภาวะอย่างนี้น่ะที่ความมีอะไรซึ่งมันน่ากลัวคือมัน ใช่มั้ยสมมุติเรานั่งอยู่เฉยๆใจลอยดิมีของตกโครมและ หลังเกิดจากประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่เมื่อเราได้ทําโยคะทั้งอานลมวันวน นั่งก็ได้เดินๆนี่มันโลภะมันแต่พอนานเข้าไอ้ 2 ตัวนั้นๆที่อะไรบ้างแล้วแต่แล้วก็รวมทั้ง แต่เราจะคือข้อที่เราไปถามวิปัสสนาจารย์หรือผู้ที่ คือลูกออกเผลอสติอ่ะ observation ไม่ใช่จะเผลอลูกหัวลูกลงทำๆแล้วมันหยุดเราตั้งสติไว้หน้าที่ของเรา โมหะมูลจิตเข้าโดยเฉพาะถึงค่ำนี้แล้วมันจะมี 2 ตัวจริงๆงั้น 1 สงสัย 2 ฟุ้งไอ้ฟุ้งนี่จะสุดท้ายแล้วไอ้ตัวสงสัยก็คือว่า ไปนิพพานได้เลยอาจารย์เก่งจริงๆนะสารพัดมันจะคิดด้วย คิดไปเรื่อยๆถ้าไอ้ตัวนี้หมามากเราจะ ใจมันไม่ไม่เป็นอิสระแต่ถ้าเข้ามาดู เนยจึงบอกว่าเรื่องที่เราเรียนในทางทุกเรื่องปรากฏในการปฏิบัติจริงคนที่เรียนไปแล้วเนี่ยจึงจะมองสภาวะ มองเพื่อนละอ่าที่ผมเปรียบว่าไอ้ทํากรรมฐานมันก็เหมือนกับเราเราขับๆใช่ เนี่ยเจอไฟแดงก็หยุดเจอคนเค้าจะข้ามเราก็ต้องหยุดฮะเนี่ยนี่ผมจะชื่อ เห็นเบาะนอนใกล้หน้าผาพี่ตะหลัวก็จับเอาคนอื่นมาด่ามันหยุดเพื่อไปฮะถ้าเราไม่หยุดเราก็อาจจะไปไม่ได้เพราะคนอื่นเค้าก็มาอยู่กันต่างคนเป็นประโยชน์ ราวกับใครไปหยุดโอนที่โมหามูลกิจรุ่นที่ 1 ท่านเลยบอกว่าบางครั้งต้องหยุดนึกถึงธรรมะทีเลียนบางครั้งต้อง เวลาให้คําแนะนําถึงต้องดูตรงนี้คนมันก็ดันทุรังจะ อย่าไปใช้อย่างผิดผิดก็แล้วกันนั้นบางบางที่เรา เขาทําดําไมอย่างเช่นว่าสวดมนต์นี่เป็นทุทาน แล้วคนในขณะทําถ้ามันมีอะไรที่สมควรจะต้อง ที่ผมมาอยู่ที่สำนักนั้นแต่ว่าผมๆที่ มองท่านก็อยู่ตลอดผมเห็นแล้วผมเกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงว่าคือพระและผู้ ขาแข่งไปบางท่านก็มาจังหวะก็ๆอ่ะล้มๆคือเสียงดังผู้ประกฏปรับกระทั่งทําให้บางคนก็ <Yeah. S 1> เวลานั่ง